พูดก็ไม่ไปตื้นไงมันต้องบอกกันเองคิดมันอันตรายเราทุกๆลูกวังที่จะทำตนให้มีคุณค่าเนื้อกิเลสอันเป็นของต่ำทามทั้งหลายด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นของประเสริฐ แน่นการประกอบความภาคเพียรของผู้ต้องการสาระคุณแจ่ตนโดยลำดับจึงต้องได้ใช้ความาพยายามเพราะิเลดนี้มันฝังใจมานานนับไม่ได้แล้วจนคล่องตัวไม่มีฝยนอะไรกับเราแต่เรา จะแก้จะถอดจะถอนมันต้องใช้ความฝืนกันอย่างเต็มที่เพราะมันเหนียวดึงไม่ขาดฝืนดึงจนแทบล้มแทบตายกเพราะมันเหนียวมันแน่นถ้าเป็นของดึงง่ายๆเหมือนเช่นยามันก็ไม่ยากขาดสะบั้นไปทันทีทันใดที่หลึงนั่นแหละแต่นี้มันเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่าสินใดในสามแดนโลกธาตุนี้ มีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากทีเดียวในหัวใจของสัตว์และเป็นสิ่งที่กรอมสัตว์ได้อย่างสนิทใจตายใ จ, ไ ม, จ, จยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรื่นเดิงบันทึงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทุกความลําบากชักยุงไปได้ทั้งนั้นเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเพราะมันแหลมคมมากถึงขนาดจัดโลกไม่รู้สิบตัวเลย ถึงไี้จูงเหมือนจูงวัวจูงควายทิเหลื จ, จูงพวกเราไม่ผิดอะไรกับเราจูงวัวจูงควายไปใช้ไปสอ ย, ยเรื่ออยไปฆ่าไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยกัดหญ้าไปเรื่อยอย่างนั้นนี่ก็เพลินไปเรื่อยทุกข์ก็ทุกข์ไปตามเพลงของที่เลืพอใจเป็นไปตามของมันทั้งนั้นจนระิงเปลี่ยนเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งนั่นนะต้องขออภัยอย่าว่าผมพูดหยาบนะ เรื่องของกิเลที่มันจูงเรานั้นมันยากจึงต้องพูดถึงเรื่องความยากของมันแล้วพูดถึงเรื่องความโง่ของเราที่ถูกกล่องจากมันมนั้นว่าเป็นเช่นไรบ้างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆริงย้านผมก็ไม่ได้คิดได้อ่านอะไรนะักเรื่องเหล่านี้แต่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นแล้วอย่างนั้น เป็นไปตั้งแต่เรายังไม่รู้ไม่เห็นเงื่อเยลยปรากฏขึ้นมาแล้วตามหลักความจริงของมันที่มันแสดงต่อจิตใจของเราอย่างไรบ้างทำไมจะกดพูดไม่ได้เพราะสิ่งนี้เป็นโทษแท้ๆเป็นสิ่งที่ควรสะดุดใจอย่างมากทำไมเราจะไม่คิดไม่ค้นขุดคุยขึ้นมาดูมันเพื่อแก้ไขเพื่อถอดถอน เต็มสติกําลังความสามารถของเราและทําไมเราจรึงไม่จะไม่ประกาศให้เพื่อนฝูงอันเดียวกันซึ่งก็ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์เพราะมันบีบบังคับเช่นเดียวกันจะไม่แสดงได้ยังไงต้องแสดงนี่ในฐานะเป็นอาจารย์ของหมู่เพื่อนที่เสียกสัญให้เป็นครูเป็นอาจารย์ต่างองค์ก็มาเองมาเองก็จําท่องได้พูดเพราะเลงเห็นจตนาของเพื่อนฝูงที่มา เพราะฉะนั้นจงอย่าได้นอนใจอย่าเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นอาธรรมอันเป็นฆ่าสืบลบล้างทำความประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้จะวิภาเราวิเศษวิโสประการใดเหมือ น, นกับเราจูงสัตว์ไปนะั่นจะพามันไปสวรรค์นิพพานที่ไหนจูงสัตว์อย่างมากประจุงไปกินหญ้ามากกว่านั้นจะจูงเข้าคลาดเข้าไถเข้าวลากเข้าเข็นภาระหนักต่างๆ และนอกจากนั้นก็จูมไปฆ่าเท่านั้นยิเล่ จ, จูงสัตว์โลกก็จูมแบบเดียวกันนี่แมันไม่ได้พาจูมไปสวรรค์นิพพานใวิเศษพิโสพ้นโลกพ้นทจงสารไปไหนเลยมันจูมไปแบบเดียวกันกันกบคนจูงสัตว์ไปในที่ต่างๆและไปด้วยเหตุการณ์ต้องเหตุผลที่ต้องการต่างๆนั่นแหละเรื่องของมันมีเท่านั้นจงพากันหนักแน่นมั่นคง เชื่อกิเลสเราเชื่อมานานแล้วผลก็เป็นดังที่รู้เห็นกันอยู่นี้ไม่มีใครจดีวิเศษวิโสได้รับความสุขความสบายายเพราะความเชื่อกิเลสและทำตามกิเลสซึ่งเป็นฝ่ายอธรรมลบร้างสาธนาธรรมนี่เราบวชมานี้เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ ถึงกับเปล่งวาจาออกมาว่าพุทธังทำมังสังขังสนังกระฉามิตั้งแต่ขณะบวชที่แรกขอให้สารณ ะ, ะทั้งสามนี้ฝังใจความภาคเย็นจะค่อยเป็นไปพิเรีมันจะเหนียวแน่นมั่นคงขนาดไหนมันก็สู้ธรรมะไม่ได้เพราะธรรมะมีเหนือนั้นเมื่อเราควา้าถูกเครื่องมือที่จะปราบพิเดีรแต่ละประเภทวัสดุมาใชา้ เราจะต้องปราบได้เรียบราบภายใจิตใจเวลานี้เราคว้าเครื่องมือไม่ถูกแม้แต่รักษาศีลก็ด่างๆพร้อยๆ อ, อุบายวิธีการที่จะทําสมาธิให้เกิดก็ล้มลุกคุกครานนี่เรียกว่าเราจับเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งจะทําให้จิตสงบนั้นไม่ถูกจิตถึงสงบไม่ได้ถึงจับถูก ก็จับประเดี่ยวกระดาวแล้วให้หลุดไม้หลุดมือไปเสียนี่มันก็สงบไม่ได้แล้วจับมาแล้วก็อ่อนมือไม้อ่อนเปียบไปหมดเสียแล้วให้เครื่องมือนั้นหลุดไม้หลุดมือไปเสียีิเลดเอาไปถลุงไปมดดวงใจดวงนั้นอย่างนี้เสียมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาไม่ได้ ท, ทั้งที่ทำนั่นคือเครื่องป ร, ราบสิ่งฟุ้งซ่านลาคาญภายในจิตใจเพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาภายในใจนั่นแหละแต่มันก็จับไม่ถูกใช้ไม่เหมาะใช้ไม่ถูกเคี้ยคำที่ท่านว่าปัญญาก็เหมือนกันนั่นยิ่งลึกซึ้งอุบายวิธีการที่จะทำให้เกิดปัญญาก็เป็นอุบายวิธีการ มีความหนักแน่นมั่นคงเช่นเดียวกับเราจะทำสมาธิให้เกิดม่อถึงขั้นปัญญาที่ควรจะเกิดเราต้องเป็นผู้นำหน้าก่อนด้วยการพินิจพิจารณาพาค้นพาชิดถุดลากออกไปหาแง่ต่างๆหาเหตุหาผลหาเรื่องราวต่างๆมาคิดขึ้นปรุงขึ้นตกแต่งขึ้นแล้วยอกย้อนถามตั้งปัญหาถาม ตัวเองอยู่เสมอกับเหตุการณ์ต่างๆที่เคยสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมามากน้อยตั้งปัญหาถามกันไปเรื่อยๆแล้วจะได้อุบายออกมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งปัญญาเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาในหลักสมาธิภาวนาดังท่านสอนไว้ว่าภาวนามายาปัญญาแล้วนั่นและที่นี่จะถ้าเป็นรถก็เริ่มไว้ตัวออกสู่ทางอันลื่นและรวดเดียวเป็นลาดับไป ปัญญาเมื่อได้เห็นคุณค่าของตัวเองที่คิดค้นขึ้นมาได้แล้วทีนี่จะเริ่มแตกขแขนงไปเรื่อยๆนี่ท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้จะไปเรียนจากผู้ใดไม่ได้แม้จะจากครูบาอาจารย์ก็เพียงได้เพียงเป็นเงื่อนเป็นครวเป็นเล็กเล็กน้อยน้อยไม่ใช่ได้เป็นเนื้อเป็นหลังเหมือนเราคิดขึ้นมาภายในตัวของเราเองท่านจะหยิบยื่นให้จะ ถ้าเป็นไม้กับไม้ทั้งดุนฟืนกับฟืนทั้งท่อนอะไรอะไกท็ทั้งดุนทั้งดุนพอให้เราได้จับมันนั้นแล้วตายเต้าไปตามนั้นแยกขแขนไปตามส่วนต่างๆของปัญญาที่ท่านแสดงไว้ทั้งดุนนั้นจนกลายเป็นชมบัติของตัวคือปัญญาของตัวเองเกิดขึ้นเองภายในใจของตัวนั่นแหละปัญญาถึงจะก้าวเดินเมื่อปัญญานี่เริ่มก้าวเดินแล้ววัตบ น, นี่จะไหวตัวหรือทีนี้ ร้อนร้อนรนโกวนกระวายแล่ะหาทางหีบทางเลี่ยงหาทางหลบหยีกปีดตัวหาทางต่อสู้สู้ไม่ได้ก็บรร ล, ลัยไปละทีนี้เมื่อปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นปัญญาขั้นนี้ผลิดขึ้นเองใจทั้งดวงซึ่งเป็นที่บรรจุของกิเลสเป็นโรงงานของกิเลสมานานแสนานานได้เริ่มกลายเป็นโรงงานของธรรมผิตธรรมผิดมีสติปัญญาเป็นต้นขึ้นมาแล้วศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญา เริ่มปรากฏขึ้นในจุดเดียวกันหมดเป็นโรงงานอันตั้มคัญตําคัญแล้วก็นำออกปราบกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวกันนั้นให้หมดไปโดยลำดับปราบเพียบไปโดยลาดับจนถึงปัรดาอัตโนมัตินี่เป็นโรงงานขึ้นมาโดยไม่ปรุงไม่มีเจตนาที่จะปรุงจะแต่งไม่มีเจะเจตนาที่จะตั้งใจจะทำงาน เพราะธรรมชาตินั้นทําเองท่านจึงเรียกว่าอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วกิเลสกิเลสต้องร้อนร้อนไปโดยลำหนับและแน่ใจต่อความพ้นทุกข์หักแน่อยู่ภายในใจของปู่นั่นแหละเพราะความอาถรรพ์มันเป็นขึ้นเองนักต่อสู้ซึ่งไม่เคยมีในใจเลยเป็นขึ้นเองคำว่านักต่อสู้นี่คือสู้ไม่ถอยไม่ลดละไม่ท้อถอยไม่มีคําว่า อำนาจวาสนาน้อยไม่มีคำว่าโง่ทั้งๆที่ยังโง่ต่อขี้เหร่บางประเภทอยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้ว่าโง่มีแต่จะเอาท่าเดียวเมื่อถึงปัญญาขั้นอัตโนมัติขั้นภาวนาภาวนามายาปัญญารุ่นๆแล้วจะเป็นขึ้นภายในจิตใจตลอดเวลาไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดปัญญาจะดีดขึ้นมาทันทีทันทีกับสิ่งสัมผัสนั้น และนำสิ่งที่เคยสัมผัสหรืออารมณ์ต่างๆซึ่งเคยสัมผัสสัมพั์มาแล้วเอามาทลุ่กันให้ได้เหตุได้ผลให้กิเลสที่มันแทรกอยู่ภายในนั้นแตกกระจายไปโดยลำดับลำดาทั้งที่เคยพูดในฝั่งมายน่นเข้ามาย่นเข้ามานี่ผมเทศนี้เทศอะไรบางท่านก็จะอาจจะเข้าใจเพราะมีบางท่านถามเหมือนกันว่าทาไมท่านอาจารย์ไม่ เทธเรื่องอวิชชาที่ปจจยการมันมก็ไม่ทราบว่าผมจะให้ผมอธิบายอะไรให้ฟังเพราะผู้นั้นก็ไม่เข้าใจไอป้ปฏิยการและไม่เคยพิจารณาปฏ จ, จยการว่าเป็นอย่างไรและไม่เคยทําลายปัจจยการนั้นด้วยวิธีการใดเลยแล้วก็ไม่ทราบว่าจะพูดแล้วอย่างไรก็เลยรวมยอดเอาเลยว่าก็เทธทุกวันนี้ที่แต่พราะอย่างยิ่งเทธสอนท้าเทธตั้งกต่เรื่องปั จ, จิยการอาวิชชาปัจญาทั้งนั้นทั้งนั้น เป็นแต่เพียงว่าไม่บอกวันนี้คืออวิชานะตอนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นอวิชาเททั้งหมดนี่เป็นเรื่องของอวิชาตั้งแต่กว้างเข้าไปเข้าไปกิ่งก้านสาขาของอวิชาก็เคยบอกบริษัทบริบาลของอวิชาก็เคยบอกทางเดินของอวิชาออกมาผิตบริษัทบริวาลออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกสู่รูปเสียงสิ่งรถเครื่องสัมผัสกว้านผลรายได้เข้ามาสูนใจคือ มหากษัตริย์วัตจักรนั่นก็พูดหมดแล้วเพราะนั้นปัญญาจึงต้องตามต้อนไปทุกแง่ทุกมุมทุกแข่งทุกขนที่สิ่งเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้ไปแทรกไปซ่อนอยู่ในสถานที่ใดทำลายกันด้วยความรู้จริงเห็นจริงแล้วปล่อยวางเข้ามาปล่อยวางเข้ามาความยึดมั่นถือมั่นหกตัวเข้ามานะัดจนกระทั่งถึงธาตุถึงขันซึ่งอวิชามันแทรกมันซ่อนมันยึดมันถืออยู่อความยึดถือนี่ก็เป็น กิ่งก้านของอวิชชา่ะพาให้เป็นไปมันกระทั่งรู้เท่าทันโดยลำดับดบรดาก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปจนถึงตัวอวิชชาแท้ก็เคยพูดแล้วนั่นลหละตัวปัจจัยการแท้จนพังทลายกันแหลกไปหมดอวิชชายะตะเววาเสสเวรากระนิโรทาสั่งฆาลานิโหโทอะไรอะไรก็ตามพ อ, อวิชาดับเท่านั้นมันดับไปพร้อมๆกันหมด ที่ท่านแสดงไว้ว่าอาวิชชาปัญญาสร้างข้าราสร้างข้าราปัญญาวิญญาณนะวิณ ญ, ญาณนะเราอยากเข้าใจว่าอาวิชชาทํางานมันจะค่อยทําไปโดยลํำดับลาดาอย่างนั้นนะเราเหมือนกับเราหยดน้ํามันเชื้อเพลิงไว้ตรงนี้ดูสินี่จุดใหญ่นั่นเป็นจุดเล็กจุดเล็กรอบจุดใหญ่ของน้ํามันเชื้อเพลิงนั้นพอจอเขา้ามานี่เพิ่มพร้อมกันหมดทีเดียวเลยแต่เบื้องต้นมันก็มันก็ ไม่น้ำมันที่จุดใหญ่คืออวิชานี่ก่อนแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไปพร้อมๆกันท่านอาวิชชาปัจญาสร้างคาราสร้างคาราปัจญาวิญญาณนังบิญญาณปัจญานํารูปังอย่าะไรไม่ใช่อวิชานี่จะหนุนอันนี้แล้วไปหนุนอันนั้นแล้วไปหนุนอันนู้นอันนู้นในภาคปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคืออวิชชานี่เป็นเครื่องหนุน ทั้งสังขารทั้งวิญญาณทั้งนามบุกทั้งอิรตณะว่าอย่างนั้นพูดง่ายๆว่ามีอวิชานี่เป็นผู้หนุนทั้งนั้นนี่เมื่อหลักความจริงแล้ว ม, ม, มันไม่ได้เลียงลําดับลาดาอย่างที่เขียนไว้ในนั่นนะท่านเขียนถ้าเขียนซ้ํากันมันก็อ่านไม่ออกท่านต้องเขียนเลียงลาดับลาดาเป็นกิริยาของวิชาทํางานว่าไปอย่างนั้นแต่แต่เวลาความจริงแล้วมันพร้อมกันหมด อวิชาก็สร้างคาลาสร้างคาลาปัจญานามญาติปัญญานาม า, า, ามรูปังคือแต่ได้อย่างละอย่างนี้มันทํางานพร้อมกันหมดคือมีอวิชชาเท่านั้นหรือทั้งนั้นเป็นผู้หนุนปัจญญาปัญญามันหนุนมันหนุนมันหนุนพระวิชาดับดงเดียวที่นี้ก็อวิชชาญาตเววะเสสสิระกันิโรธาสร้างคารานิโรถุคือดับพร้อมกันหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนะมันก็พร้อมกันเช่นเดียวกัน นี่โรโตโหตินี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ไม่ใช่จะค่อยไล่ค่อ ย, อยเลี้ยงไปตามนั้นแล้วไปฆ่าปัจจัยนั้นแลไปฆ่าปัจจัยนี้ที่มันหนุนอิชาให้เกิดฉังขันหนุนขันให้เกิดวิญญาณให้เกิดนามรูปให้เกิดสราร ย, ยุทธะอะไรสัมผัสสัมพันธ์กันไปเรื่อยไปฆ่าอย่างนั้นตายวันนั้นคำมหาวิชาไม่เจอมีแต่จะไล่มนบ่นเพอ้ออยู่อย่างนั้น่ะหาความจริงจะไม่เจอ ดันจึงต้องปฏิบัติอย่างที่ว่านี้นี่คือหลักธรรมชาติหลักความจริงที่จะให้อวิชามันดับจริงๆพิจารณาอย่างนี้ีเทศอวิชามันทาั้งนั้นนะไม่เทศอะไรหลักของการปฏิบัติต่อกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปฏิบัติอย่างนี้อย่างที่เทศมาแล้วไม่รู้ถี่ครั้งกี่ค น, นม้วนเสื่อลงไปตรงนั้นแล้วม้วนเสื่อหมดเหมือนเราถอดถอนต้นไม้ ทำไปเป็นอะไรจะต้องไปนับดอกนําใบไปตัดกิ่นตัดก้านมันพอถองถอนลากแก้มันพวดขึ้นมาเท่านั้นกิ่งไหนก้านไหนแม้จะมีดอกใบดอกนาผลดอกนาขนาดไหนก็ตามมันเลียบวุดตายไปด้วยกันหมดทันะ้อย่างเดียวกันนั้นแหละขอให้ทุกๆุท่านตั้งใจคิดปฏิบัติให้เห็นความวิเศษวิโสของธรรม ซึ่งพร้อมที่จะเกิดภายในใจเสมอเวลานี้มันมีแต่วิจิเลสมันออกหน้าออกตาทุกกิริยามารยาททุกอากา ร, รความเคลื่อนไหวของใจเราไม่ทานมันเลยมีแต่มันออกหน้าออกตากิจทั้งดวงกายเป็นเวธีของมันเต้นลำไปหมดธรรมะก้าวไม่ออกนี่มันจะไม่ทุกยังไงฮะมันมีแต่กิเลส เส้นนำขยี้ขยำอยู่ภายในกิจใจตลอดเวลาหาความพิเศษศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนในตัวของเราเมื่อทําได้ก้าวออกไปดังที่กล่าวนี้นับวันจะปรากฏความพิเศษศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในตัวเองโดยไม่ต้องเสียสันตันยอใครก็ตามจับภูมิใจแน่ใจมั่นใจเข้าโดยลำหนับลําดาภ า, ายในใจนี่เยนั่นจึงขอให้ทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจอย่าดนท่อถ่อยอ่อนแอ การมั่วการสุ่มกันไม่แค่ทางของสมณะถึงเวลาที่จะมาฉันน้าร้อนน้ำชาก็ให้มาเฉดความมีสจตีเฉดเป็นผู้มีความเพียรอยามาคุยกันเรื่องนั่นเรื่องนี้โมนันโม น, น, โมนี่อันเรื่องเหล่านี้โลกเขาก็มีอยู่แล้วไม่เห็นพิเสศษอะไรลองดูที่ยาท่าทางให้มันึ ง, งามตางเบาใจสักหน่อยอย่าให้มันสะดุดตาสะดุดหูเลยหมันมักเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเสียงก็ไม่ออมปากเลย เสียงคนมีสติเสียงคนไม่มีสติมันก็รู้เนี่ยนันก็บอกเอาจุดนั้นกิจยาธาทางการแสดงออกมีสติหรือไม่มีสติมันก็รู้ทําไมจะไม่รู้เพราะเรื่องกิเลสกับใจทํากับใจมันสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ได้ยังไงมันทนไม่ได้ต้องรู้นี่จริงๆเป็นข้อหนักใจกระหมูกรบเพื่อนเผื่อให้มันต่ออยู่เรื่อยๆเรื่อยๆหินน้าก็อายใจถิงหยาบๆบางอย่างพูดแล้วไม่รู้เรื่อง อ น, นี้ก็มีมันยิ่งสอก็ไปถึงความละเอียดของจิตยีจะแก้มันได้ยังไงเนี่ยยังห ย, ยาบๆตอนนี้ก็ไม่ได้คุณต้องให้ฝึกไปซ้เข้าไปทุกกิจยาอาการที่แสดงออกให้มันทันกับเหตุการณ์เสมอ น, นั่นแหละปัญญาอันนี้เนี่ยจะ ก, ก้าวเข้าไปสู่ปัญญาอัตโนมัติที่แหลมคมที่ปายราบจิตรีเดี่ยวได้ไปไปแต่แต่การฝึกการซ้อมการพริิจพิจารณาค้นควา้าล่มลุกคู่ครานเนี่ยเอาให้จริงให้จังเอาล้ว พูดตอนนี้เหนื่อยแล้วเนี่ยวันนี้พูดตาม ก, ก็ได้แล้ว น, นี้ก่อน